พส่วนโมกจุดเด่นทางหนึ่งก็คือโรงพยาบาศพทางวิญญาณโรงมยาบทางวิญญาณก็เป็นตึกนะก็ถือว่าใหญ่นะในสมัยนั้นแต่ก็ใช้เวลานา น, านกว่าจะเสร็จตอนที่กำลังก่อสร้างอยู่ ก็มีหลายคนสงสัยว่าเมื่อไรจะเสร็จสักทีตั้งหน้าตั้งตารอคอยมีองคร ก, ก็ไปถามอาจารพุทธทาตว่าเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าเสร็จทุกวันใครมาถามแ้ก็ตอบว่าเสร็จทุกวัน คนฟังก็งงกันนะเพราะว่าก็ยังเห็นว่ามันยังไม่เสร็จตอนหลังก็โรงพยาบาลศูนวิญาก็สร้างเสร็จจนได้ต่อมาก็มีโครงการใหม่ก็สร้างสร้างเรือนะเรือนี้ก็คือตึกเป็นที่เก็บน้ำน้ำฝนแล้วก็เป็นที่ที่พระจะมาจัดกิจกรรมมีห้องมี เป็นห้องโถงใหญ่ก็ใช้เวลานานเพราะว่าสวนโมงไม่ได้ไม่ได้จ้างคนมาทำก็ใส่แรงงานของพระของโยมนี่แหละมาช่วยทำมีคนหนึ่งไม่ได้ไปสวนโมงนานนะพอถึงสวนโมงก็ไปกราบพระพุทธท่านแล้วก็ ถามว่าเรื อ, อเสร็จหรื อ, อยังต้องการตว่าเสร็จแล้วก็ดีใจนะเอ๊ะทำไมเสร็จเร็วนะเพิ่งเพิ่งเดือนที่แล้วก็ยังไม่เสร็จเลยเดือตอนนี้เสร็จแล้วก็ไปดูปรากว่ากําลังก่ก อ, งอสร้างอยู่อก็เลยสงสัยกลับมาถามพระพุทธเจ้าหลวงพ่อบอว่าเสร็จแล้วนี่ไม่ไม่เสร็จเนี่ย ต้องก็ตอบว่าเนี่ยวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมาเรื่อนี้ก็เสร็จพูงยก็เสร็จทุกวันเขาก็งงหมายความว่าอย่างไรคุณอื่นอาจจะมองยังไม่เสร็จนะแต่ถ้าเราจาร์วุาท่านถือว่าเสร็จเสร็จทุกวัน ความหมายคือว่าเสร็จเฉพาะวันนี้หรือเสร็จสำหรับวันนี้เรื่นงแง่เนี้คือว่าคนเราในเวลาเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหมดห่วงหมดกังวลบางคนจะรู้สึกกันโล่งอกนะชาติยะะายบุตัชาก็เป็นแบบนั้น่หละคือเวลาท่านทำทำงา น, เ, นเมื่อทำงาน ท่านก็ไม่มีความวิตกกังวลนะถึงถึงวันต่อมาเช่นทำจนทาจนค่ำนะพอถึงเวลาพักนะท่านก็วางทุกอย่างวางทุกอย่างนะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องงานการ หลายคนเนี่ยถ้างานไม่เสร็จนี่ก็จะกังวลพักก็ไม่ได้พักนอนก็ไม่ไนอนเอาแต่วิตกนะเป็นห่วงงานรู้สึกหนักอกหนักใจที่มันยังไม่เสร็จแต่สัท า, ายาพุทธาท่านถ้าถ้าทำในช่อจดคำเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้ว ไม่ต้องกังวลนะถึงงานที่ยังคาอยู่เสร็จก็คือความหมายนีนะ้ไม่กังวลถึงงานนั้นว่าจะต้องทำต่ออะไรบ้างก็คือปล่อยวางนั่นเองทำตั้งแต่เช้าจนค่ำอ่ะพอเสร็จแล้ว ก็วางมันลงมันจะต้องทําต่ออีกมากมายแค่ไหนก็ไม่เอามาเป็นกังวลไม่เอามาเป็นภาระานี้เรียกว่าเสร็จมันเสร็จที่ใจนะถึงแม้ว่าอาอาคารยังก่อสร้างไม่เสร็จนะแต่วา่าเสร็จที่ใจของตนละไม่พิจตกไม่กังวลไม่ห่วง ไม่เอามาแบกเอาไว้อันนี้เราทำงานอย่างปล่อยวางก็ได้นะถ้าทำใจแบบนี้ได้มันก็เสร็จทุกขะนาะเสร็จทุกขนาะก็คือเสร็จสำหรับขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีความห่วงกังวลนะกับว่าต้องทำอะไรต่ออยู่กับปัจจุ บ, บันนะ เมื่อเาทำงานเนี่ยนะก็ลองคิดแบบนี้ก็ดีหรือทำใจแบบนี้ก็ดีก็คือว่าตัวงานจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะั้นแต่มันเสร็จที่ใจเราละถึงถึงเวลาก็วางก็เหมือนกับช่างก่อสร้างนะพอ ตกข้ามก็หรือตกเกย็นก็เอวางเครื่องไม้เครื่องมื อ, อถือว่าเสร็จสําหรับวันนี้แต่บางคนก็วางแต่เครื่องมือนะวางค้อนวางเรื่อยแต่ใจยังแบกอยู่อันนี้ก็ทําให้เป็นทุกข์นะถ้าถ้าคนที่เรารู้สึกถ้าเรารู้สึกเออมันเสร็จนะวันนี้เสร็จแล้ว มันก็วางหรือเพราะวางนี่แหละทำให้รู้สึกว่าเสร็จทำให้รู้สึกว่าเสร็จพอลุมขึ้นก็ทำต่ออันนี้เรียกว่าทำทาจิตด้วยแล้วก็ทำกิจด้วยนะคนส่วนใหญ่ทำทำกิจแต่ว่าไม่ค่อยทำจิตเท่าไหร่ ก็เลยมีความวิตกกังวลมีความเครียดทำงานก็ยังคิดถึงอะไรต่ออะไรที่ค้างคายอยู่การปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกันนะเราเราปฏิบัติเนี่ยให ลองลูกมันเสร็จทุกขณะก็ดีเสร็จทุกขนะบางทีใจเผอคิดโน่นคิดนี่ไปพอรู้ตัวก็ยังยังปล่อยยังวางไม่ได้ยังพยายามหวนคิดอีกว่าเอยเมื่อกี้มันคิดเรื่องอะไระทำไมถึงคิดนี่่ามันต้องเรียกว่าสลัดมันไปนะคือว่าจบแล้ว เราก็มามาตั้งจิตมาตั้งสติใหม่มาดูตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ดักไม่ใช่จ้อง <c oughs> ก็ทำแรงของตัวทำแรงของเราไปใจอยู่กับงานที่ทำแต่ถ้ามันเผลอคิดเมื่อไหร่อ้าวก็รู้ทันให้มันเผลอคิดก่อนถึงค่อยไป รู้ไปรู้ทันทีหลังถ้ามันยังไม่เผลอคิดเราก็อยู่กับใจก็อยู่กับงานทำไปทำไปอาจจะมีการคิดอยู่เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดเราก็คิดยังมีสติคิดยังมีสติก็คือว่ามันไม่ หรลอจม็ไมาไดในความคิดจงกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวหรือว่าคิดวกไปเวียนมาบางคนเนี่ยคิดไปวนอยู่ในความคิดนั่นแหละอันนี้เราคิดแบบไม่มีสติที่แบบมีสตินี่มันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะวางหรือว่า ไม่เผล อ, อกแว็กไปคิดเรื่องอื่นมองคนจะคิดเรื่องอะไรเรื่องการมันไม่อยากจะคิดทิดไม่ออกาการที่จะพยายามคิดต่อก็เดี๋ยวก็แว็กไปโน่นแวกไปนี่มันเป็นทางออกทางหนีของใจที่ไม่อยากจะที่ขี้เกียจนะมันไม่อยากคิดมันไม่อยากคิดเรื่องงานก็ไปออกทางอื่นไปคิดเรื่องอื่นที่สบายใจกว่า เมื่อกว้างคนนี้จะเขียนบทความหรือจะทํารายงานทำวิทยานิพนธ์นั่งทำแล้วพักก็เดี๋ยวก็หาเหตุละหาเหตใหุให้ไปทำโน่นทนํานี่ยิ่งมีคนมาชวนไปทำโน่นทํานี่ยิ่งดีใจใหญ่โอ้มีข้ออ้างและ้ะเพราะว่าไม่อยากจะทําทํางานชิ้นนั้นเพราะว่ามันคิดไม่ออกหรือว่าเพราะมัน มันยากก็แล้วแต่ น, นี่ก็เป็นข้ออ้างติณมันก็หาเหตุหาพ่ออ้างถ้าทำอะรกันกันการปฏิบัติธรรมเวลาปฏิบัติธรรมตั้งใจจะปฏิบัติบางทีมันก็มีเหตุข้ออ้างให้ไม่ต้องเลิกไม่ทําอย่างที่วางแผนเอาไว้ เช่นมันเลือนนี้ตั้งใจจะไปะปฏิบัติมันก็จะมีเหตุให้มีมีข้ออ้างให้เปลี่ยนใจหรือว่าผัดออกไปผัดไปเรื่อยตลองรู้ทันมันแล้วออต้องไม่ผัดแล้วพยายามที่จะปฏิบัติให้ได้แต่พอลงมือปฏิบัติเดี๋ยวก็มีเพอ้อ ไปคิดโน่นคิดนี่หรือว่าไปหาโน่นหานนี่มาทำแบบไปทำครัวมัางหรือว่าไปกวาดใบไม้มังแบบไปซแบบักผ้ามังจริงจริงมันก็เป็นการปฏิบัติทำได้นะซักผ้ากวาดใบไม้แต่ว่าหลายคนมองว่ามั น, เ ป, นเป็นข้ออ้างในการที่ต้องไม่ไม่ต้องปฏิบัติ ไม่ต้องมาเดินตรงกรมสร้างจังหวะการทํางานก็เป็นลักษณะอย่างนั้ น, นเวลาเราทํางานที่ยากหรือเป็นงานที่มันไม่ชอบหรือแม้แต่การใช้ความคิดคนหลายคนก็ไม่อยากใช้ความคิดพอต้องคิดมันก็แวะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าไม่มีสติในการคิดหรือคิดไม่มีสติ การคิดมีสติก็ทําได้หรือว่าใช้สติเพราะสติมันทำหน้าที่เป็นตัวกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์หน้าที่จริงๆสติเขื่อนนี้หน้าที่คือกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์หรือเหนี่ยวอารมณ์ให้มาอยู่กับจิตกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรืองานการรวมทั้งธรรมารมณ์ด้วย กำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์เช่นให้อยู่กับงานการให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับความรู้สึกตัวเวลาทางานมันก็ต้องอาศัยสติที่เรดึงหรือเหนียวจิตกากับจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นไม่งั้นมันก็จะวกรกไปรบไปโนนรบไปนี่หน้าที่ของสติคือต้องกำกับจิตเอาไว้ เวลาตามลมหายใจเวลายกมือนให้รู้สึกตัวเนี่ยเออก็ให้กำกับจิตไว้อยู่ก่นอนแล้วก็ตัวไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านแต่ถึงแม้มันเพ่นพ่าน ก, ก็ก็ไปเรียกมาไปดึงมาอีกอันนึงคือเหนี่ยวอารมณ์มาสู่ติดหรือมาสู่การรู้ของจิต เช่นความจำเบอร์โทรศัพท์หรือว่ากำหนดนัดหมายที่เราจำเอาไว้เวลาจะคิดก็เป็นดึงมันออกมาอันนี้ก็เป็นงานงสตีนยังไงก็คือความระลึกได้นั่นแหละหน้าที่ของสตีนนคือความระลึกได้ รึกได้เราลึกเรื่องอะไรเรลึกเรื่องสิ่งที่มันอยู่ในความทรงจําอันนี้มันเป็นข้อมูลในสมองหน้าที่ของจิตคือเป็นดึงมันออกมาสู่การรับรู้ของจิตเราก็เรียกอาการนี้ว่าความระลึกได้มันไม่ใช่เป็นข้อเรื่องข้อมูลอย่างเดียวนะมันรวมถึงว่าเรากําลังทําอะไรแล้วเราเผลอ เราเพลดไปคิดเรื่องเรื่องนี้อ่ะจิตมันก็จะมาเตือนว่าไอ้นี่เรากาลังทําบัดอยู่เรากาลังสวดมนต์อยู่เรากาลังเดินตรงกรมอยู่ mm. เราใช้จิตเราใช้สติในการเหนียวอารมณ์มาสู่การรูปของจิตและใช้สติในการกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์ เผลอเมื่มอไหร่แล้วก็รู้ทันแล้วกลับม า, างั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ก็ฝึกให้มีความรู้ได้แบบนี้แหละแล้วก็มีความรู้ทันถ้เด๋ยวกันก็ฝึกให้ใจเนี่ยนะหัดเป็นผู้ดูนะดูเฉยๆเวลาบอกว่าให้กงกับจิตไว้กับอารมณ์เนี่ย ก็คืออันนี้แหละคือทำหน้าที่ดนะูอารมณ์ในที่นี้ก็คือธรรมอารมณ์ดูมันเฉยๆกำกับเอาไว้แค่ดูแต่ถ้าส ต, ติไม่มีหรือสติอ่อนจิตมันก็จะหลุดนะโดดเข้าไปในอารมณ์นั้นแทนที่จะดูอยู่ห่างเหมือนก็ดูกองไฟคือโทสะความโกรธ พอไม่มีสติจิตมันก็โดดเข้าไปในกองไฟก็ไปจมอยู่ในอารมณ์ให้ความโกรธมันเผาผลาญทำให้จิตใจรุ่มร้อนอการกํากับจิตไว้อยู่กับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่อยู่แบบเข้าไปคุกคลีนะแต่มันหมายถึงว่ามีระยะห่างกํากับจิตให้รับรู้อารมณ์นั้นรับรู้แบบรู้เฉย ไม่ไม่เข้าไปคุกคีหรือว่าไม่ไปพันตูมีอารมณ์บวกเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อยากจะไปคอเคลียกับมันมีอารมณ์ลบเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ไปผักใสม่มันมันจิตมันจะมันจะโดดเข้าไปนะโดดเข้าไปเสพ ก็ไปคอเคลือก็ไปผักใสเป็นธรรมชาติของมันเลยเพราะการฝึกของเราการฝึกนิสัยแบบนี้ขึ้นมาสะสมนิสัยแบบนี้ขึ้นมาทำให้มันทำอย่างนั้นตลอดเวลาเรียกว่าเกิด Reaction นปฏิกิริยาหรือการตอบสนองเราต้องใส่สตินี่นะกำกับหรือว่าเหนียวมันเอาไว้ให้มันดูเฉย เมื่อดูเฉยๆเนี่ยอารมณ์ความคิดนั้นก็เข้าไปมีอิทธิพลครอบงําจิตไม่ได้ทําให้เราเป็นนายของความคิดนะไม่ใช่เป็นทาสของความคิดในการที่ดูมันเฉยๆนี่ก็ทําให้นอกจากทำให้ใจสงบลงนะเพราะไม่ได้ไปพันตูหรือว่าไปขอเกียดกับมันมังทําให้ จิตมันเกิดปัญญาขึ้นด้วยพอได้เห็นเมื่อดูเรื่อยๆดูธรรมารมมันก็เห็นธรรมชาติของมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับเห็นว่ามันเสื่อมไปมันไม่เคยคงทนมันนี่ก็เห็นโทษของมันด้วยว่ามันบีบคั้นจิตมันเผาเผาลนจิตยังไงบ้างไอ้การที่เฝ้าดูเฉยเฉยนี่มันทำให้เกิดความรู้นะ นะความรู้เกิดได้หลายอย่างเกิดได้หลายทางเกิดจากการอ่านก็ได้เกิจากการฟังก็ได้เกิดจากการดูแต่อยดูให้เกิดความรู้ได้ก็ต้องดูแบบนิ่งๆ น, นะถ้าดูไม่ถ้ามันไม่นิ่งมันก็เห็นเห็นอะไรไม่ชัดไม่ต่อเนื่องขนาดเริงเนี่ยนะมันมันวิ่งมันซนอยังไงเนี่ยมันก็มีบางขาดที่มันดูนะเลยเพราะมันดูเรา เออมันดูที่มันก็อยู่มันกิ่งไม้ดูอยู่นิ่งๆดูมันก็ไม่ได้มีทงลวงน้านว่ามันต้องการเห็นอะไรมันต้องการรู้อะไรมันไม่มีธงแต่มันดูไปดูไปมันก็เห็นเลยมันก็รู้เลยว่าเราเรากินอะไรอะไรที่กินได้มันรู้ว่าเราเอาของที่กินได้อาหารมันไปซ่อนไว้ไหนไปเก็บไว้ที่ไหนมันเห็นเรา เอาาหารใส่ตู้แล้วมันก็รู้ว่ามันดูจนทั้งันมันก็รู้ว่าจะเปิดตู้อย่างไรบางทีเห็นเราออาหารใส่กล่องที่เห็นโยนของลงในทางก็ขยะมันก็รู้นั่นแหละคือจุดหมายของมันมันเป็นความรู้นะเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เกิดจากการเฝ้าดูแล้วมันจะดูได้แบบนี้ก็เพราะมันนิ่งนะถ้ามันกระโดดไปกระโดดมามันก็ น้อก็เห็นได้ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่เห็นได้ไม่ต่อเนื่องความรู้ก็ไม่เกิดลิงเนี่ยขนาดแค่ดูเฉยๆมันก็เห็นมันก็รู้จิตเราก็เหมือนกันนะถ้าดูนะดูธรรมารมอยู่บอ่อยๆบ่อยๆมันก็จะรู้เกิดปัญญาขึ้นนะปัญญาที่เข้าใจความจริงของของจิต เข้าใจความจริงของธรรมารมเข้าใจความจริงของนิวรณ์คือ อ, อรั่วต่อไปก็รั่วมันเกิดมาได้ยังไงมันไม่ได้เกิดขึ้นมา ล, ลอยมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดเมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับมันก็ดับไปด้วยเห็นเท่านี้เห็นแบบนี้นี่มีมีพลังมากเลยนะพอมก็เห็นถึงความเป็นอนัตตาของมัน สิ่งต่างๆยังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วก็การที่เห็นเท่านี้แหละนะการที่รู้เท่านี้แหละนะพอมาพอมาบอกให้พอพระสัชชีนี่มาบอกให้มาเล่าให้อุปติสสะมานพนะฟังอุปติสาก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันนะ อุปติสสะนี่ตอนหลังก็บวชได้ชื่อว่าพระสารีบุตรลูกของผู้หญิงที่ชื่อสารีอุปฏิสสะเห็นพระราชิเดินอย่างสงบเพียงแค่กันเดิอย่างสงบนี่ก็เดินี่มีสติสำรวมก็สามารถจะสร้างความเอจใจให้กับอุปติสสะได้ไม่ต้องพูดอะไรมาก บางทีพระเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่อยู่อย่างสำรวมสงบเนี่ยมันก็มีความหมายสามารถกระทบใจคนได้ยังไม่ต้องพูดได้ซ้ําะพูดก็พูดไม่มากนะอย่างอุปติสา์ก็ถามว่าใครเป็นครูของท่านใครเป็นอาจารย์ของท่านพอได้รู้ว่าพระอาจารย์ก็ถามตาว่าแล้ว อาจารย์ท่านสอนว่าอย่างไรนะปุตติพสพระสัจจู์เนี่ยพระผู้มีภาคสอนว่านะทำใดเกิดตาเหตุตาทาคดกล่าวถึงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้นเท่า น, นี้แหละน ะ, ะก็เกิดการปิ้งว่าขึ้นมานะในอุปติสสะในใจของอุปติสสะแล้วก็ บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันคือมันเป็นคำพูดที่ดูเหมือนง่ายนะสำหรับคนยุคนี้เพราะว่าเราฟังมาตั้งแต่เล็กรือฟังตั้งแต่เด็กนะแต่สมัยน้นไม่เคยได้ยินคนอุปติสามาโนนไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้เพราะมันทำให้เห็นเลยนะว่า ไอ้คำว่าทำใดเกิดแต่เหตุทำนี่หมายถึงสิ่งใดก็าตามนะทำนี่หมายหมายถึงทุกสิ่งเลยสิ่งใดเกิดแต่เหตุแต่ท้ากล่าวถึงการถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นมันก็เท่ากับว่าไอ้สิ่งทั้งหลายองค์โงงเนี่ยคำว่าทำคือสิ่งทั้งหลายองค์โงงเนี่ยนะมันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเกิดขึ้นมาเฉพาะคราวแล้วก็สักไม่ช้าไม่นานก็ต้องดับไป มันเป็นอนัตตาเพราะมันเกิดจากเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเกิดจากเหตุแล้วถ้าเหตุดับนั้นมันก็ต้องดับไปด้วยมันไม่สามารถจะมีตัวตนที่คงทนได้มันต้องอาศัยปัจจัยถึงเกิดและมันก็ต้องพึ่งปัจจัยนันถ้าปัจจัยนั้นดับมันก็ดับไปด้วยความพูดนี้เนี่ยมันซ่อนหรือแฝงนัยยะของอนัตตาไว ไม่ได้พูดเรื่องอนัตตาตรงๆแต่ว่าฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องอนัตตาว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนดนะังการที่เราเอามันเฝ้าดูนะดูดูกายดูใจเนื่รือพราะใจหรือธรรมารมเนี่ยมันมันเกิดดับเร็วมันก็ทำให้เราเห็นนะ ความไม่เทียงความเป็นทุกข์ความเป็นอัตตาของมันได้ที่จริงกายมันก็บอกได้เหมือนกันนะบอกได้เหมือนกันโดยเพพาะตัวทุกข์ขังเนี่ยเห็นชัดแต่ว่าเช่นเวลาเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยมันก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยแนละ้วบางทีนั่งไม่นาน เป็นเพราะเราขยับเนี่ยมาดึงหายปวดหายเมื่อยแต่เพราะเราขยับบ่อยขยับโดยไม่ไม่รู้ตัวเนี่ยความปวดความเมื่อยก็เลยเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาแล้วเราก็เลยไม่ทันสังเกตว่าโอ้สังขารร่างกายเป็นทุกข์นะความทุกข์นี่มันอยู่กับกายเราตลอดเวลาวิธีเพราะนันวิธีที่ทําให้เราเห็นทุกข์ก็คือการที่ไม่ขยับไม่แคร์อีเลีย บ, บ อิเลีย บ, บทเนี่ยมันตั ว, ต, วตัวกบเกินความทุกข์นะความทุกข์มันมีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่มันถูกกบเกินด้วยการเปลี่ยนอิเรีย บ, บทคือเมื่อการไม่ต้องอิเรีย บ, บทประเภทขยับเนื้อขยับตัวหรอนะอิเรีย บ, บทย่อยๆเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็ิเลีย บ, บทนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะทุกข์เกิดขึ้นทันทีแต่พอเราเปลี่ยน นะการหายใจเปลี่ยนจังหวะการหายใจจากหายใจเข้าเป็นหายใจออกอันนี้ก็เลยเป็นเอเรียบทได้นะเหมือนกับเรานั่งมาเปลี่ยนมาเป็นนอนนะมันก็หายเมื่อยพอเราเปลี่ยนจังหวะการหายใจจากออกเป็นเข้ามันก็สุกโปรง่งโลง่งหรือเปลี่ยนจากเข้าเป็นออกนะมันก็หายอึดอัดไม่ต้องลมหายใจก็ได้ตาเราเนี่ยนะตาเรา าเราเปิดเนี่ยและเราลืมตาไว้แล้วเราไม่กระพริบตาเนี่ยหรือไม่ไม่หลับตาเนี่ย mm hmm. ลืมตาอีกสักนาทีหนึ่งก็จะเมื่อยแล้วแล้วก็จะปวดตาและถ้ายังลืมตาต่อไปไม่อยอมกระพริบตาไม่อยอมหลับตาก็จะเริ่มมีน้ำตา น้ำตานี่คือความทุกข์อันนี้ก็มีมีคนเอาไปเขียนเป็นเพลงนะห้านาทีบรรลุธรรมห้านาทีบรรลุธรรมเป็นเรื่องของอาชายหนุ่มที่รักหญิงสาวคนหนึ่งแต่ตลรางหญิงสาวคนนั้นก็ทิ้งเข้าไปแล้ว ก, ก็เสียใจ สุดท้ายก็เลยไปบวชตอนที่บวชนี่ก็ตอนที่กำลังโกนผมนี่ก็มีความเศร้าก็ถามหลวงพ่อที่กำลังโกนผมว่าเนี่ยทำไมมันถึงทุกแบบนี้ท่านก็ก็สอนว่ากุกลยามันมีเกิดก็ดับนะั่นแหละถ้าคุณจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงยแล้วก็ลองให้ใหชายหนุ่มคนเนี้ ลองลืมตาดูแล้วลองลืมตาโดยไม่กระพริบตาเนี่ยนะไม่ไม่เท่าไหร่นี่ก็จะเริ่มปวดตานะแล้วก็เริ่มเจ็บเริ่มทุกข์แล้วก็มีน้ำตาไหลต้องการสอนอะไรนะต้องการสอนให้รู้ว่าเนี่ยมีเกิดก็มีดับนะถ้าปฏิเสธไม่ยอมรับการดับนะเหมือนเราเหมือนเราไม่ยอมรับการที่ ตานี่มันยังต้องหลักจะให้ตามเปิดตลอดเวลาเนี่ยก็จะต้องมันก็เป็นการขัดเป็นการขืนกับความจริงเมื่อใครก็ตามที่ขัดขืนความจริงปฏิเสธความจริงก็ต้องทุกข์มีรักนะมันก็ต้องเมื่อมีความรักมันก็ต้อ ง, องความรักเกิดขึ้นก็ต้องดับไป ไม่ยอมรับความดับนะมันก็ต้องทุกข์เหมือนกับลืมตาไม่ยอมกระพริบตาเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำตาไหล mm hmm. แกก็เข้าใจเลยนะรูปยาวมันไม่เที่ยงนะมีเกิดมีดับถ้าเราพอใจในสิ่งที่สิ่งใดแต่ไม่ยอมรับการดับของมันนะมันก็ทุกข์บวดแล้วตอนหลังก็มีความสุขนะแล้วก็ มาพบในเวลาต่อมาว่ามาได้ข่าในเวลาต่อมาว่าหญิงสาวคนนั้นเสียชีวิตแล้วแไม่สบายจะเป็นโรคจะเป็นมะเร็งมั้แล้วก็รู้สาเหตุว่าทำไมหญิงสาวนั้นถึงทิ้งเขาไปนะหญิงสาวรู้่ตัวเองจะตายก็ไม่อยากให้ผู้ชายมาผูกพันกับตัวเองมากก็เลยตัดใจทิ้งไปอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวของเพลงนะซึ่ง มันก็มีคนฟังเยอะเหมือนกันนะมีคนมาเลอาเป็นเพลงของพวกอินดี้ห้านาทีบรรลุธรรมก็พอพูดเรื่องนี้เอายกตัวอย่าง น, นี่แหละว่าคนเรานี่จริงในธรรมชาติในตัวเรานี่มันสอนนะมันสอนทำให้กับเราตลอดเวลาหายใจเขาก็ต้องมีหายใจออกนะลืมตาก็ต้องมีกระพริบตาไม่มีอะไรที่ที่ยังไม่มีอะไรที่ ไม่แปรเปลี่ยนแต่เป็นเพราะเราเราปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนอิเลียบทอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทันสังเกตแล้วก็เลยแล้วไม่รู้ว่าสังขารคือร่างกายนี้ก็มันก็เต็มไปได้วยทุกข์แต่ถ้าเราได้เวลาถึงเวลาที่จะต้องมาศึกษากายศึกษาใจก็ลองดูสังเกตดูร่างกายถ้าไม่ขยับเนี่ยมันก็ เกิดโทษขึ้นมาทรีบทไม่เปลี่ยนก็ปวดเมื่อยแต่ขณะเดียวกันอาการของใจนะอารมณ์ความคิดต่างๆนะมันก็แสดงให้เราเห็นเหมือนกันนะว่ามันเกิดดับเกิดดับแล้วการเกิดดับนี่ไม่ใช่เกิดเองดับเองมันมีเหตุปัจจัย พิจารณาก็เห็นนะต่อไปเมื่อพิจารณาก็จะเห็นโอ้เหตุปัจจัยคืออะไรทำให้โกรธทําให้โกรธมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดความรักเกิดความชอบพอเกิดความยินดีเราก็เห็นต่อไปว่าเมื่อปัจจัยนั้นดับนะไอ้สิ่งนั้นทำมารมเหล่านั้นก็ดับไปด้วยให้เราเฝ้าดูเงี้ยนะการการมีสเติ์เนี่ยมันช่วยทําให้เราได้เห็นนะเห็นความจริง เริ่มต้นจากการเห็นของจริงก่อนนะก็คือกายและใจนี่แหละอย่าไปสนไม่ต้องสนใจเรื่องนิมิตเรองหลงเขาเ้าไปในความคิดอะไรนรกสวรร่างก็อย่าเพิ่งไปสนใจก็ดูแค่กายกับใจนี่แหละว่านี่ยคือของจริงแล้วของจริงก็จะเผยวความจริงให้เราเห็นนะสัจธรรมที่ทําให้เรานะเกิดปัญญาได้ชาติภูกท่านี้นะเอากลับครับ